ล้วนแล้วจะเป็นผู้ดทำร้ายทำลายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกพวกเราควรจะจัดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดโมอันนี้ก็คือเออจากนั้นพระมหากรตปะก็ถามพวกกลุ่มที่อยู่ใกล้พวกท่านเห็นด้วยไหมที่จะจัดมีการประชุมหารือกันแล้วก็จัดทำวินัยให้เป็นหมวดหมทำคือทำวินยัยคือวินยัย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 ยังเป็นปุตชนอยู่แล้วเราจะทำยังไงแต่ว่าได้รับพระพุทธพระอ น, นุลได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าตอนทอี่พระพุทธองค์อาการหนักในคืนวันเดือนหเพนนนั้นพระอ น, นุ์ออกไปร้องไห้อยู่ที่ทางขึ้นบันไดพระพุทธองค์ได้เรียกให้พระสงฆ์ไปบอกพระอ น, นุ์เข้ามาได้ถามว่าอนนลเธอเธอทำอะไร พระอานุ์บอกโอ้ข้าพระ อ, องค์เสียใจมากที่พู้ดองค์จะปรินิพานข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เพีนแต่เพียงพระโสดาบันเท่านั้นข่าพระ อ, องค์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหัน์ถ้าหากว่าเป็นเด็กก็เหมือนกับพอเดินได้ท่านเองแล้วใครจะเป็นคนสอนข่าพระ อ, องค์ต่อไปจะให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละคือพอระอานุ์อายุเท่ากันกันกบพระพุทธเจ้าอายุแปดสิปีเท่ากันเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้า อดูซิคนแก่ขนาดนั้นเสียใจร้องไห้เอพวกเราคิดดูที่ว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแต่พระพุทธองค์บอกว่าอานน์เธอปฏิบัติเราตถาคตไม่มีที่ตําหนิเลยเอเพราะพร ะ, พระพุทธเจ้าโกรธก่อ น, อนเขาท่านก็ปฏิบัติอย่างอาโนนนี่แหละอานนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเอาเธอจากนี้ไปสามเดือนอาโน์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์นะ อันนี้พระอนุพอได้ยินคำนี้เท่านั้นพระพุทธองค์ทำนายพยากรไว้แล้วพระอนนบอก พ, พระพุทธองค์ทำนายเรื่องอะไรหนึ่งไม่มีสองพระอนุนก็เชินใจขึ้นมาเออถึงยังไงก็จะต้องได้สำเร็จจากนี้ไปสามเดือนอันนี้ก็คือคำนี้แหละได้ยินไปทั่วในกลุ่มพระสงฆ์ทั้งหลายพระมหากัสปะก็บอกอถ้าหาว่าขาดพระอนุไม่ได้ถ้าหาวา พระอา น, นุ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทำวินัยคงจะขาดตกบกพ้องเพราะฉะนั้นสงควรยิ่งจะต้องให้อานนท์เข้าร่วมประชุมสังขารยนาในครั้งนี้จากนั้นพระมหากรัสปะก็บอกว่าจากนี้ไปสามเดือนให้ไปจัดสถานที่กรุงราชคฤห์ให้ไปพูดขอกับพระเจ้าอาตาสัตรูให้จัดถ้ำสัตวัรณคกูหาเป็นสถานที่ประชุมสังขารยนาในกรุงราชคฤห์น่ย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 เพราะว่านานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ทำความรู้ของท่านนั้นเอกชนที่ท่านได้บรรลุธรรมจุดนั้นเอกันหนึ่งไม่มีสองแต่แนวความคิดออกไปข้างนอกนั้นไม่เอกันวันนั้นพระอ น, นุ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมวันอพอครบสามเดือนพระอ น, นุได้สำเร็จเป็นพระหารแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดห้าร้อรูปเข้าพร้อมกัน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 พ อ, พอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้า อ, อพวกท่านทั้งหลายก็พลอยได้ดิบได้ดีไปด้วยแล้วใครเป็นคนนำพาไปบวชผมเนี่ยพาพระพุทธเจ้า ไ, ธธาไปบวชทิฏฐาไปบวชจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าออพอบวชเข้ามาแล้วพวกท่านใดอันนั้นใดตำแหน่งนี้ใดตำแห น, น่งนั้น อ, อพระพุทธองค์เรียกช น, นะเข้ามาช น, นะเธอจะไปพูดอย่างนั้นอันนี้คือพี่ชายของพวกเธอนะ ท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วนะเธออย่าไปพูดอย่างนั้นก็เงียบก็ไม่ว่าอะไรแต่พอหยุดพวกพระองค์ออกหลังรับรับหลังท่านนั่นโคตรไอยางเก่าพระองค์พระพุทธองค์ ก, งก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับชันะหเห็นไหมคนดือ้อจากนั้นก็พระอานนท์ก็บอกว่าให้ลงพรมธันต์กับชันะลงพรมธันตนะ์ทำยังไงพระเจ้าข่านพระอานนท์ถามในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้เรียกประชุมชง พอประชุมสงฆ์เสร็จแลให้เรียกั น, นะเข้ามาพระช น, นะเข้ามาบอกว่าฉันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านชอบใจจะด่าองค์ไหนจะปริพาทองค์ไหนจะดุด่าว่าเก่าองค์ไหนให้ท่านพูดได้ตามสบายใจแต่พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงอย่านับเนื่องว่าฉันนะเป็นหมู่ของเราอย่าอยู่อย่านอนอย่านับเนื่องอย่าลงอุโบสถสังฆกรรมด้วยอย่าคุยด้วยกับช น, นะ เท่านั้นแหละพระช น, นะได้ยินสงลงพรมทันรหงายหลังผึ่งเลยนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระชั น, นะนี่ที่พระพุทธองค์ให้ลงพรมัทันรจากนั้นท่านก็กลับใจทัชนชนะก็กลับใจผมจะไม่พูดไม่ทําอีกอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะขนาดขนาดนั้นที่ท่นานมรคนิพันต์นิสัยมรคนิพันต์อุปนิสัยมรคนิพาน์มีอยู่แต่กิเลส ตัวแป้งๆตัวไม่อิจฉาพยาบาทตัวโลภโกดหลงน่มาเบียดบงังทำให้ท่านเสียศูญย์ไปเหมือนกัน น, นี่แหละกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านชำระกิเลสและท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พระช น, นะนี่แหละจากนั้นก็มีการประชุมอย่างอื่นมีอีกไหมพระมหากัสปะที่เป็นประธานสงถามมีครับ พระองค์พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราตถาคตผ่านไปแล้วศิกขาบทวินัยที่เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ยุ่มยิมพวกท่านทั้งหลายจะประชุมให้ถอนก็ถอนได้นะจะถอนก็ถอนได้ศิขาบทเล็กน้อยที่เราบัญญัติไว้ที่มากมายคือศินสองรี่ิบคือศินพระปฏิโมกศิลมาในพระปฏิโมกศิลอภิสมาจารนะ์นั่นแหะทีมาก สินอะไรก็ตามถ้าพวกท่านเห็นสมควรจะถอนสิกธค้าบดไหนก็ถอนได้นะถ้ามหากตปะก็ถามว่าท่านอานนท่านได้ถามพระพุทธเจ้าไหมได้ทูลถามพระพุทธเจ้าไหมว่าอาบัติเล็กน้อยนั้นน่ะที่จะให้ถอนน่ที่ว่ายุมหยิมนั้นคือสิกธค้าบดกลุ่มไหนพิ น, นัยกลุ่มไหนไม่ได้ถามกระผมเพราะว่ากระผมรู้สึกว่าสรดหดหูจิตใจ เอ่อลำลึกถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างมากจากคิดอะไรไม่ออกในช่วงนั้นเพราะความรักเคารพในพระพุทธองค์พระมหากัะส ป, ป่าวโออานนท่านบกพ่องและจุดนี้พระอานนนก็ยอมรับว่าข้ากับข้าพระองค์กับผมบกพ่องจริงๆครับยอมรับเอาเอถอะทีนี้เอาประกาศในท่ามกลางสงที่ว่าพวกเราว่าอยังไงที่พระพุทธองค์บอกว่าให้ถอนซิกข้าบทเล็กน้อยนั้น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 เป็นชาวไร่ชาวนาก็มีทํามาค้าขายก็มีเป็นคนมีมากหลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่มากหลากหลายอาชีพเนี่ยแสดงความคิดเห็นมันก็ต้องแตกต่างกันคนหนึ่งก็ให้สําคัญคอันหนึ่งอันหนึ่งตรงหนึ่งก็ให้สําคัญอันหนึ่งต่างคนก็ต่างให้สำคัญสำคัญต่างที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมพลที่สุดไม่หลงลอยกันนี่นี่แหละพระหันนะ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 แต่ถ้าว่าไม่มุ่งทำ ม, มีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วก็อย่างว่าก็มีความแตกแยกสมำคขีกันอันนั้นมันก็สุดพิสัยอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องทำคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะสัทธาญาติโยมพุทธบริษัทสีเนี่ยถ้าดังไม่รู้หลักพระธรรมวินยัยเราจะไปพูดก้าวไกยดูถูกเกียดหยามครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหลวงพ่อว่า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 พระองค์นั่นผู้หญิงเดินตามทีนี้คนทั้งหลายเห็นก็พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเอา้าทำไมผู้หญิงเดินตามคนคนนี้พระองค์นี้ไปบินทาบาลก็เดินตามขึ้นอยู่กุฏิตามลำพังก็เดินก็อยู่ในกุฏิของตัวเองพระสงฆ์ก็ไปฟ้องอนาถาบิตฑิกะเศรษฐีท่านอนาถาท่านควรจะไล่พระองค์นี้ออกจากวัดทันนะไปที่ไหนผู้หญิงสาวเดินตามตลอดนะ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 ใช่เออเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ต้องรู้อะไรเป็นอะไรไม่ใช่หน้าที่ของชั้นแน อ, อขอบอบให้พวกท่านทั้งหลายกราบพุทโธพระพุทธเจ้าไปแล้วกันแต่ได้ไปกราบไปบอกพระเจ้าปัะเสริฐเลมหาบมพิธมีพระองค์หนึ่งอยู่แน่นนะจะทําให้ศาสนาเสียนะี่เสื่อมเนี่ยนะพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาเกิดประโยชน์ต่อต่อ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 ทหารตำรวจจตดตีบาลพร้อมเลยทพอไปก็สังเกตอยู่ห่างๆก็เห็นผู้หญิงอยู่ในกุฏิหลังนั้นพร้อมกับพระแต่ได้ก็ปลดล้อมเลยทพอล้อมเสร็จแล้วขึ้นไปค้นกุฏิไปค้นปุ๊ไม่เห็นพอไม่เห็นกลับมาออกมาอยู่ข้างนอกอีกเออดูอีกสังเกตอีกให้ทหารมากเก่าๆอีกขึ้นไปอีกครั้งที่สองอีกไม่เห็นอีก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 S <S เพดองเพดานไม่เห็นอาตามาก็ไม่เห็นแต่คนทั้งหลายเห็นพพระเจ้าแผ่นดินเออเอาท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับท่านไปบินธาบาัตต่อไปญาติโ ย, ยมคงจะไม่ใส่บาทให้ท่านเพราะท่านมีผู้หญิงเดินตามหลังผมค้นดูแล้วไม่มีเอาเถอะตอนนี้ไปให้ท่านไปรับอาหารในเวียงในวางผมก็แล้วกันนะผมจะถวายเอาอาหารท่านอาใส่บาทหรือว่าถวายปัจจัยสี่ท่าน ต่อไปนี้เท่านั้นแหละพระสงฆ์ทั้งหลายก็โอ้โหพระเจ้าแผ่นดินนี โ, โง่จริงๆให้มาจับผิดพระทำชั่วตัวเองยังมาประวรณาอีกต่างหากเนแต่นี้ก็บพระองค์ที่ผู้หญิงเดินตามหลังนี่นก็เหมือนกันติดปีกแล้วท่านนี้เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินให้ท้ายตัวเองบอกว่า เ, เป็นหน้าที่ของอพระเจ้าแผ่นดิน ว่าแต่พวกว่าแต่ผู้หญิงเดินตามหลังผมพวกท่านก็นเดินเหมือนกันนั่นแหละเนยไอ้คค่พูดทรงเดชนะเนี่ยสูทรงเดชแต่นี้ก็พระสงฆ์ทลายก็เอา้าตื่นขึ้นมาแล้วสินเอา้าพระองค์นี้จุกจดเราได้ยังไงเพราะอาบัติเป็นอาบัติผู้หญิงเดินตามหลังเนี่ยมันไม่ใช่โทษเบานะโทษขาดจากการเป็นพระ น, ะนั่นนี่จากนั้นพระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วสิบอกว่านี่พระองค์เนี่ย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 พระเถรวงบอกว่าสมัยก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้ากัตปะกัตถปอศิริสัมปันโนอุบัติขึ้นในโลกจากนั้นอายุของท่านพระพุทธเจ้ากัตปะอายุยืนสองหมืนปีแล้วก็มีพระสององค์ที่เป็นเพื่อนกันไปที่ไหนเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งรักเหมือนกับพี่น้องๆยิ่งกว่าพี่น้องเสอีก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 อคงจะไปปล่อยทุกในป่าให้องค์นี้ก็ยืนคอยนี่องค์นี้ก็ยืนคอ ย, ออค ย, คอยพอยืนคอยเสร็จแล้วเทวดาอยู่บนสวรรค์ะเอ๊ะทำไมพระองค์นี้มันสององค์ทำไมมันเอเป็นสนิทกันเหลือเกินไปที่ไหนเอ็นองค์ไหนก็เห็นองค์หนึ่งเห็นองค์หนึ่งเราจะแยกให้พระทรงองค์ทะเลาะกันดูบ้างนะเะทวดาคิดสนุกขึ้นมานะไม่คิดว่ามันจะบาปนะอะจากนั้นเทวดานะก็ลงมาจากสวรรค์ ลงมาก็เห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็ไปถ่ายทุกออกมาพอเดินออกมาแล้วก็เทวดาเนี่ยกิดนิรมิตตัวเองเป็นผู้หญิง เ, เดินตามหลังพระองค์นั้นออกมาพอเดินตามหลังเเผวนก็เเผาผมอะไรกระจุยกระจายทำท่าทัา้งนุ่ง ห, หมทั้งจะนุ่งผ้าสิ้นของตัวเองบางอ้างทำเหมือนกับมีอะไรผ่านมาแล้วนะ่พระองค์นั้นจยืนดูยืนเห็น พอเดินออกมาองเล็กโอ้ท่านทำไมท่านทำอย่างนี้แต่ท่านเป็นปาาชิกแล้วนั่นนี่ทำโทษอย่างหนักแล้วนะี่องเล็กวัดไม่ใช่ผมไม่มีอะไรนะไม่มียังไงผู้หญิงเดินตามหลังท่านออกมานะเา น, นี่ยเออเทนีก็พาวเนะี่ยไม่ใช่ไม่ไม่มีผมไม่มีอะไรมีมพอได้ส่กับพระสององค์แล้วก็เดินทะเลาะกันจนมาลงอุโบสถพอมาลงอุโบสถเนี่ย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 เออไม่ใช่องค์นั้นทําผิดฉันคิดสนุกเองเราผมคิดสนุกเองแล้วก็นิรมิตมาเป็นผู้หญิงตามหลังท่าน อ, อ, องค์นี้ไม่ใช่ท่านไม่ได้ทําอะไรเ ป, เป็นผมเองผมนิรมิตเองถึงเทวดาจะจะมาะแสดงถึงขนาดนั้นก็เถอะพระองค์นี้นก็ไม่สนิทให่องค์ทีเ่เห็นเห็นเหตุการณ์เไม่ร่วบมูโ ว, โวโสถสังฆกรรมกับพระองค์นั้นตลอดไปไม่เชื่อกระ ท, ทั่งเทวดาอีกต่างหา พลในสุดนั่นน่ะเท ว, วดาแต่หลงคนนั้นก็ออกจากสวรรค์แล้วก็ลงอเวจีมหานรกอ่าเหมือนกับเศรษฐีตกทุกข์อย่างนั้นอ่ะเศรษฐีจะเข้าคุกอย่างนั้นอ่ะอย่างพวกเราท่านทลายได้ยินเน่ยว่าทุกข์ขนาดไหนทีนี้จากนั้นก็ไปตกนรกพร ต, ตกนรกนานพอสมควรจากนั้นก็พ้นจากนรกขึ้นมามาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระโครตรมะของเรา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 หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นท่านก็สอนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สุวัตหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุธที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มั่นมีมากหลากหลายหลายองค์แต่ต่างองค์ก็ต่างยอมรับว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธเรื่องสมรรสมัรคือทาจิตใจให้สงบนี้ให้ภาวนาพุทโธวิธีการทา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 จะนอนดูตามลําพังเราให้กราบพระซะก่อนไหว้กราบพุโทโธธรมโมสังโฆแล้วก็แถมท้ายอยวานิพพานังครับข้าพเจ้ากราบพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานเพื่อพ้นทุกเอเราเกลียดทุกเหลือเกินเกิดแก่เจ็บตายในะเราเกลียดเพราะนั้นพ้นทุกในวัตฏฏสงสารไม่ขอมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกเรียกว่าพุโทโธธรมโมสังโฆนิพพานังหลังนั้นก็ อรหังสัมมาสัมพุทธโธกราสวากาโตพระคาตวตาธโมก่าสุปฏิพนพระาวโตวสาวกัสังโกกระจากกันนั่นกันณโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นกัพุทธทังทำมังสังขังสารานังคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสถานะเป็นที่พึ่งดุติยามปิพุทธังทำมังสังขังสารานังคัจฉามิ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 ทั่วไรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินนึกในใจาจากนั้นเราก็กราบแเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นก็นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งประนมมือซะก่อนนึกในใจพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ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 มาบอกกล่าวมาแนะนำมาสั่งสอนพวกเราเราจึงรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในเมื่อเราลำาลึกถึงพุทธโธธรมรมโสรสแล้วเอามือลงเอามือลงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพดหายใจออกโทนี่แหละให้สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้วันเดือนหกเพนนั้นท่านกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าน้อยเกินไปที่กําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันหลุดได้ง่ายมันหายได้มันหายเร็วมันหายได้เร็วควรจะบริกรรมด้วยเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถสรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นใช้กรรมฐานสี่สขวางพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ใช้เพียงอาณาปณสติอย่างเดียว แต่หลวงปู่มั่นของเราใช้สองคือใช้อนาปานสติด้วยและบริกรรมพุทโธด้วยนี่แหละใช้สองออย่างควบกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอนลูกศิษย์จากนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านก็นำทำคำสอนหลวงปู่มั่นมาบอกมาสอนพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทายาิโยมทั้งหลายเวลานั่งภาวนา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 พ, พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากมโนโปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายทําคําสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ที่อื่นนะให้เชื่อตอนเองนะพอปฏิบัติเข้ามาแล้วถามฤทัยบัณฑพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญครับโอ้ยตายแล้วเกิดแน่นอน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 วิบากในการคิดการทําการพูดของความคิดของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อรู้แล้วว่ากรรมชั่วพวกเราอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อทำกรรมให้ทําแต่กรรมดีเ อ, อจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเมื่อเราภาวนาจิตใจสงบแยกส่วนแบ่งส่วนดูแลร่ากายกับใจเป็นคนละอ่านกันเจากนั้นเราก็มาพิจารณาโดยดูไงกําหนดดูใจนี่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 เพราะร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราเนี่แหละให้พิจารณาถึง เ, เมื่อเราไม่หลงสิ่งเหล่านั้นเมื่อหลงเราไม่หลงกายเราก็ไม่หลงสิ่งภายนอกเหล่านั้นจากนั้นเราใจของเรามามองดูใจอีกเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงดูสิใจของเราถึงพอจะนันก็มองดูใจของตนเองมองใจของเราเราก็รู้ได้ได้ด้วยตนเองว่าบางทีก็เศร้าหมองบางทีก็ผ่องใส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 ใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางละโลภโกรธลงงในจิตใจใจก็บริสุทธิ์ในเมื่อเราปล่อยวางแล้วเมื่อเราปล่อยความโง่ออกไปแล้วในเมื่อปล่อยความโลภโกรธลงงออกไปแล้วความบริสุทธิ์ก็จะพดขึ้นมาแทนที่เหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสืออย่างนั้นแหละในม่พอเราเรียนหนังสือเราได้กอไกเ ABC ซดีความโง่ทั้งหลายที่มันมีก่อนมันก็ตกไป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 มาเป็นรู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจากนั้นท่านได้ท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประฉะนั้นขอให้พวกราทฎร ญ, ญาติโยมลูกหลานพวกเราพวกเราทุกคนนอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นการที่อยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องหลักธรรมวินัยทำคําคสอนของพระพุทธเจา้านานาจิตตังนานาทัศนะ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 ทางด้านจิตใจการกล่าวทำปริเสนาในวันนี้ที่หลวงพ่อยกขึ้นว่าปฏิลูปะเทสวาโซจ่ปุกเพจะกะตะปุญยตาอัตตะสัมมาปณิธิปฏิลูปะเทสวาโซจะพวกเรานับว่าโชคดีมากที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้พบ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 เ, เมื่อเราได้พบพบพระศาสนาได้พบพระคาสอนของผู้เผยพระเจ้าแล้วตั้งตนไว้ชอบเนี่ยว่าปฏิโูประเทสวาโซจะปุเพจักะตะปุญยตาอัตตะัมมาปณิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบถ้าพวกเราตั้งตนไว้ชอบแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ทางทางโลกและทางธรรมเพรานนการกล่าวสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนไรย์พระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองด้วยบุญบา ร, รมีหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อจิรวัตรของเราที่ท่านได้บําเพ็ญมาแล้วขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม